จิตที่ตื่นรู้เบิกบานเป็นพุท ธ, ธะนี่เรื่องอัตโนมัติของจิตที่เป็นอยู่ไม่ได้แต่งหนัดเบื้องแรกมันเป็นเลยถ้าเราทำอยู่อย่างนี้ท่านมหาจะมีอาการอย่างหนึ่งแปลกขึ้นมาคือเวลาไปนอนเคยนอนกรนหรือนอนละเมอกัดฟันหรือนอนดิ้นนอนขวางถ้าจิตเป็นอย่างนี้แล้ว สิ่งเหล่านั้นชิบหายหมดถึงจะหลับสนิท ต, ตื่นขึ้นมาแล้วมีอาการคล้ายกับไม่ได้นอนเหมือนไม่ได้หลับแต่ไม่ง่วงเมื่อก่อนเราเคยนอนกรนถ้าเราทำจิตใจให้ตื่นแล้วไม่กรนหรอกจะกรนย่างไรคนไม่ได้นอนกายมันไประ ง, งับเฉยๆตัวนี้ตื่นอยู่ตลอดทั้งวันทั้งคืนตื่นอยู่ทุกการเวลาคือพุโทโธ ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้แจ้งผู้สว่างตัวนี้ไม่ได้นอนมันเป็นของมันอยู่ไม่รู้สึกง่วงถ้าเราทำจิตของเราอย่างนี้ไม่นอนตลอดสองถึงสมวันบางทีมันง่วงร่างกายมันเปลี่ยพพง่วงเรามานั่งกำหนดเข้าสมาธิทันทีสักห้านาทีหรือสิบนาทีแล้วลืมตาขึ้นจะรู้สึกเท่ากับได้นอนตลอดคืนและวัน เรื่องการนอนหลับเนี่ยถ้าไม่คิดถึงสังขารแล้วไม่เป็นไรแต่ว่าเอาแต่พอควรเมื่อนึกถึงสภาวะของสังขารความเป็นไปแล้วก็ให้ตามเรื่องของมันถ้ามันถึงตรงนั้นแล้วไม่ต้องนำไปบอกหรอกมันบอกเองมันจะมีผู้จี้ผู้จดถึงขี้เกียจก็มีผู้บอกให้เราขยันอยู่เสมออยู่ไม่ได้หรอกถ้าถึงจุดมันจะเป็นของมันเอง ดูเอาสิอบรอมมานานแลาว้วอบรมตัวเองดู